ในกันหะทีปายณะเจริยาพระผู้มีพระภาคตรัสเล่าให้ท่านพระสารีบุตรฟังว่าอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นฤาษีชื่อว่ากันหะทีปายณนะเราเราไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ยิ่งกว่า50ปีโอ้แปลว่าไม่ทนบวชมา50กว่าปีเนี่ยนะ ใครๆจะรู้ใจที่เราไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ของเรานั้นหาไม่ได้เพว่าดูภายนอกเนี่ยโอ้ยเหมือนกับว่าบวช ด, ด้วยความเลื่อมใสบวช ด, ด้วยความเต็มอกเต็มใจบอกไม่ใช่เลยนะทนบวชอยู่50กว่าปีเหมืนั้นแม้เราก็ไม่บอกแก่ใครๆว่าเราไม่มีความยินดีอยู่ในใจสหายของเราเนี่ยนะเพื่อนประพฤติพรหมจรรย์ของเราชื่อว่ามัทัพยะเป็นฤาษีมีอนุภาพมาก ประกอบด้วยบุรพกรรมเขาบอกว่าใจาตัวเองเนี่ยบวช ด, ด้วยความทนบวชใน50กว่าปีแต่เพื่อนนี้ได้ฌา น, น, นะเพื่อนนีมีฤทธิ์ได้ฌานแต่เพราะบุรพกรรมกรรมเก่าให้ผลก็เลยถูกเสียบด้วยเหลาทั้งเป็นเพราะทาการเราเนี่ทำการพยาบาลมันทัพพยะดาบทนั้นให้หายโรคแล้วก็อำลามาสู่บารรณศาลาอันเป็นอาสมของเราเอง พราหมู้เป็นสหายของเราอีกเพื่อนอีกคนหนึ่งนะเพื่อนที่ยังไม่บวชเนี่ยได้พาภรยาและบุต่างถือสักการะสำหรับต้อนรับแขก ร, ร, ร, ร, รวมสามคนมาหาเราเรานั่งเจรจาปราศัยกับสหายและพรยาของเขาอยู่ในอาสมของตนเด็กโยนลูกข่างเล่นอยู่ทำงูเห่าให้โกรธแล้วที่นั้นเด็กนั้นเอามือควานหาลูกข่างไปตามปล่องจอมปลวก ควานไปถูกเอาศีรษะงูเข้าพอมือไปถูกศีรษะของมันงูก็โกรธอาศัยกําลังพิษเคืองเหลือจะอดกลั้นก็ได้กัดเด็กนั้นทันทีพร้อมกับถูกงูกัดเด็กก็ล้มลงณนะที่พื้นดินด้วยกําลังพิษกล้านะพูดถึงเด็กที่ล้วงมืออ่าเรียกว่ามีใ น, นเรื่องจริงเมือ่อหลายปีก่อนโน้นน่ยนะก็มีเด็กตามจับกก จับเขียด ก, ก็วิ่งจับไปเรื่อยทีนี้กบนี่มันก็กระโดดเข้าไปในรูนะเข้าไปในปล่องนะเข้าไปในรูเด็กมันก็เอื้อมมือตามไปก็ถูกงูเห่ากัดตายนะพ่อนี่โกรธมากก็เลยจะนะขุดไปเอางูออกมาเผางูทั้งเป็นเหมือนกันเะผางูทั้งปนด้วยความแค้นที่ฆ่าลูกนะนะแต่นี้แต่เหตุการณ์อันนี้ตรงกันข้ามไม่ได้ทําในเหมือนกันบอกว่า เพราะเหตุนั้นเราเป็นผู้ได้รับทุกข์หรือว่าเรามีความรักจึงเป็นทุกข์เราได้ปลอบมาดาปิดาของทารกนั้นผู้มีทุกข์เศร้าโศกให้หาให้สางแล้วได้ทำสัจจกิริยาอันเป็นประโยชน์สุดก่อนว่า น, นะสัจจกิริยาของดัานนะคือเราผู้ต้องการบุญได้ประพฤติพรหมจรรย์มีจิตเลื่อมใสอยู่เจ็ดวันเท่านั้น หมายความว่าบวช ด, ด้วยความเต็มใจเต็มใจบวชบวชอย่างมีความสุขจริงๆเนี่ย7วันต่อจากนั้นมาการประพฤติของเราเนี่ยไม่เลื่อมใสห้าปีเศษเราไม่ปรารถนาจะประพฤติเสียเลยด้วยความสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีแกเด็กนี้เถิดพิจงระงับยันยทั้กุมารจงเป็นอยู่นะอาศัยคำสัตท์ที่ตัวเองไม่เต็มใจบวชนี่มากล่าวนะ พร้อมกับเมื่อเราทำสัจจะกิริยามานบหวั่นไหวด้วยกําลังพิษไม่รู้สึกตัวได้ฟืน้นกายหายโรคลุกขึ้นได้ผู้เสมอด้วยความสัตว์ของเราไม่มีนี้เป็นสัจจะบา ร, รมีของเราชนิ้แลพูดถึงเรื่องของท่านกันหะทีปายะเนี่ยนะบอกว่าพระโพธิสัตว์ในการนั้นชื่อว่าทีปายนะ เข้าไปหาดาบที่เป็นเพื่อนคือใครมันทัพพยะมานพมันทัพพยะผู้เป็นสหายของตนที่ถูกเสียบเหลาไม่ทอดทิ้งดาบทด้วยศีลคุณของเขาก็ยืนพิงอยู่กับเหลาตลอดสามยามก็เลยชื่อปรักมีชื่อว่ากันหาทีปายนะเพราะร่างกายมีสีดำด้วยหยาดเลือดแห้งที่เกละไหยจากร่างกายของดาบท ต, ตกลงมาใส่ถามว่า ทำไมเนอพระโพธิสัตว์เนี่ยนะไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์อนภิระโตเนี่ยนะอนาอนาิระโตนั้นแปละว่าไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ไม่ยินดีในการหลีกเล้นเลยไม่ต้องการเจริญกุศลใดๆทั้งนั้นแหละแปละว่าเบื่อในการหลีกเร้นเบื่อในการเจริญกุศลเต็มทีครั้นบวชแล้วพระโพธิสัตว์ยินดีอย่างที่กล่าวเนี่ยแค่เจวันเท่านั้นต่อจากนั้นก็เบื่อเต็มทีในการเจริญสิกขาเบื่อเต็มทีในการ ลีกรั้นเนี่ยนะถามว่าก็เพราะเหตุไรพระมหาบุรุษในอัตภาพหลายแสนชาติเนี่ยนะมาเป็นแสนแสนชาติเนี่ยมีอัธยาศัยเนรขมยินดีอยู่ประพฤติพรหมจรรย์แต่ในเรื่องนี้จริยานี้ไม่ยินดีพรหมจรรย์ไม่ยินดีในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเพราะอะไรเพราะความหวั่นไหวแห่งความเป็นปุตุชนขึ้นเชื่อว่าความเป็นปุตุชนนี่ก็เป็นอย่างนี้แล้ว ช่วงหนึ่งก็ศรัทธาแทบเอาเป็นเอาตายเนี่ยนะเอาจริงเอาจังอีกภาคหนึ่งก็ไม่รู้หายไปไหนหมดเหมือนกับตอนฝนตกฟ้าขนองฝนคำรามนี่ก็น้ําท่วมน้องไปหมดอีกภาคหนึ่งหาเนะน้ําหยดเดียวก็หาไม่ได้เนี่ยนะมันแห้งไปหมดปุตุชนนี่ก็เป็นอย่างนี้แหละว่าไงก็เพราะเฮไรท่านจึงไม่ครองเรือนเออทำไมไม่กลับไปครองเรือนใหม่เรา เพราะครั้งแรกเห็นโทษในกามทั้งหลายด้วยอัธยาศัยในเนคขมมะจึงบวชแปลว่าที่มาบวชนี้บวช ด, ด้วยอัธยาศัยเก่าในอดีตชาติเป็นปัจจัยก็อยากบวชนะก็เลยมาบวชเมื่อเป็นดังนั้นพระมหาบุรุษนั้นเกิดความไม่ยินดีเพราะอะไรเพราะไม่ใส่ใจโดยโยนิสมานสิกานพอบวชเข้ามาแล้วก็ทิ้งโยนิสมานสิการไม่สนใจการเจริญสมถวิปัสสนาอะไรเลยเนี่ยนะพระมหาบุรุษนั้นแม้เมื่อไม่สามารถบรรเทาความไม่ยินดีนั้นได้ จึงเชื่อกรรมและผลแห่งกรรมนนละสมบัติใหญ่ออกจากเรือนละสมบัติใดกลับไปเพื่อสมบัตินั้นอีกอันนี้ไม่มีอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาว่าถ้าท่านละแล้วท่านไม่เอาเพราะอะไรเพราะท่านรังเกียจคำติเตียนนี้ว่ากันหะทีปายณะน้บ้า น, น้ำลายกลับกรอกจริงหนอก็แสดงว่าที่ที่ไม่ยอมกลับไม่ยอมศึกก็เพราะอะไรเพราะกลัวเขาว่าเอาบ้านเน่นอน น, อนะ บวชศึกศึกเนี่ยนะกลับกรอกไม่แน่นอนอะไรเลยเอาอยัางไงกันแน่ชีวิตนี้เหมือนกัน น, นะจะไปจะบวชหรือจะไม่บวชเป็นต้นก็กลัวคําคอรหาเป็นต้นเขาจะพูดกันขณะเดียวกันก็เกรงหิริโอตะปะของตนจะแตกเพรา็ตัวเองจริงๆพื้นฐานก็เป็นคนที่อายชั่วอายชั่วกลัวบาปก็จริงนะอย่างที่ว่าเนี่ยบางคนเนี่ยมีทายาศัยดีปรารถนาอยากจะบวชอยากจะเจริญแต่ว่ามันมันอยู่ด้วยความไว้เงาเนี่ยนะเจอ เจอนักบวช ท, ที่เป็นเพื่อนกันมาลายรูปเนี่ยก็เป็นลักษณะนี้แหละ ไ, หลไม่ใช่มีในคัมภีร์อย่างเดียวร้องกันอันหนึ่งขึ้นชื่อว่าบุญในการบรนประชานี้ท่านผู้รู้ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นสรรเสริญแล้วอันนี้คือเหตุผลหนึ่งนะที่ท่านไม่ยอมศึกเพราะอะไรเพราะเหตุผลว่าพระพุทธเจ้าสรรเสริญการบวชกันพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญการบวชพระประเจกับพระพุทธเจ้าก็สรนเสริญการบวชพูทศสาวกทั้งหลายท่านก็สรนเสริญการบวชเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นท่านก็เลยไม่ยอมศึกและก็ยังพอสา ม, มารถที่จะบวชอยู่ต่อไปได้ก็ไมายถึงขนาดเรียกว่าไม่บวชนี่ตายแน่ผ้าเหลืองร้อนระอุไปหมดไม่ได้ถึงขนาดนั้นอะไรแต่เพียงแต่ว่าอยู่ด้วยความไม่เต็มใจเท่านั้นก็เรยายูได้นะไม่ได้อยู่อย่างมีความสุขเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นพระมหาบุรุษแม้ร้องให้น้ำตานองหน้าด้วยความทุกโทมนัทก็ยังอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ไม่ยอมสละพรหมจันทร์ก็แสดงว่าบางวันนี้ก็เสียอกเสียใจเป็นกันนะอยากก็บอกว่าร้องให้ก็คือร้องให้อะไรปรารบถึงความอยู่แบบคนอาภัพะนะคนบวชบางทีเนี่ยถ้าไม่กุศลไม่เจริญเนี่ยนะความรู้สึกเหมือนกับคนอาภัพไม่ไรเรี่ยวกัไรคือถ้าปัญญาไม่เกิดนะถ้าไม่ปรารบศีลสมาธิวิปัสสนามันไม่มีอะไรสักอย่าง เมื่อมันไม่มีอะไรสักอย่างมันจะมีอะไรก็มีแต่ความน้อยเนื้อต่ําใจน้อยอกน้อยใจมันทําไมเรามันอาภัพจริงเนาะคนอื่นเขาอยู่สุขสบายเขาอยากกินเขาก็ได้กินเขาอยากเที่ยวเขาได้เที่ยวไอเราทําไมมากรัดกลุ่มมาเดือดร้อนอยู่คนเดียวมันก็มาทุกตัวเองแล้วก็นึกถึงคนอื่นเขามีความสุขเมื่อไหร่ก็น้ําตานองหน้าเลยแหละเสียอกเสียใจถ้ายิ่งไปผิดพลาดมีอบับดัดติดตัวอย่างใดอย่างหนึ่งก็งน้ําตาร่วงเลยแหละแต่ก็ไม่ยอมสึกเนี่ยนะก็ไม่ยอมสละพรมาจันนั้น ก็แก้ไขสะสางกันไปอะไรกันไปบางรูปนี่ก็เป็นอย่างงี้นะกระร่องกระรเร่งได้ได้ยามทีก็อยากจะศึกทีหนึ่งอ่ะนะก็อยู่ต่อไปก็อยู่ได้ตั้งหลายปีกันเนี่ยนะบางคนก็อยากศึกทุกปีนั่นแหละตอนเขาบอกว่าอยากศึกทุกปี20ปีอ่ะนะหลังจากนั้นค่ อ, คอยเลิอกอยางี้ก็มีบางก็มันหลากหลายจริงๆอ่ะนะ พระโพธิสัตว์นี่ขนาดสั่งสมบารมีมาสีอสงไขยแสนกับเนี่ยอัทยาศัยความเป็นนักบวชเนี่ยเต็มที่ขนาดนั้นก็ยังเบื่อหน่ายในการเจริญกุศลนั้ถ้าหากว่าเราเอ่อยเงาไม่อยากเจริญกุศลให้รู้เท่าว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่ถึงขนาดอะไรถ้าเศร้าเพราะอะไรเพราะว่าอายนิโสมนณสิการเพราะการคบปาประมิตรเพราะสังคมสิ่งแวดล้อมก็ทาให้จิตใจไม่ยินดีในการเจริญกุศล ถึงเรารู้ว่าไม่ยินดีในการเจริญกุศลก็อย่าเบื่อในการเจริญกุศลสแสวงหาเหตุหาปัจจัยที่จะให้เจริญกุศลไปเถอะทนทนไปหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวอีกพักก็ดีเองนะไม่กี่ปีรอกนะนะสมดังที่พระองค์ตรัสว่ากัรหะทีปายณะนั้นออกบวช ด, ด้วยศรัทธาแล้วก็กลับมาอีกที่เขาไม่ศึกก็เพราะเขารังเกียจคําพูดนี้ว่ากัรหะทีปายณะนี้บ้าน้าลายกลับกรอก เราไม่ปรารถนาจะประพฤติพระมจรย์เสียเลยอันหนึ่งฐานะของสัตว์บุรุษอันผู้รู้สรรเสริญแล้วเราจะเป็นผู้ทําบุญอย่างนี้นะบวชอย่างน้อยก็ไม่เด็กไปก่อกรรมทําความชั่วไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไม่ต้องไปทําบาปทำอกุศลถึงใจจะไม่ยินดีในกุศลแต่ก็ไม่แปดเปื้อนไปด้วยบาปทุจริตอะไรก็ทนทนอยู่ไปอย่างนั้นที่บอกว่า เพื่อนที่เชื่อว่ามันทัพยาเนี่ยนะมนทัพยาเป็นรือศีที่มีอนุภาพมากาเป็นรือเป็นมหารือศีนะเป็นรือศีที่มีฤทธิ์ปุภะกรรมมะสมายุโตสูลมาอ่าสูลมาโรปนังลพิความว่าประกอบด้วยบรุรพกรรมของตนถูกเสียบด้วยเหลาทั้งเป็นมาดูนะทำไมจึงถูกเสียบด้วยเหลาฟังแล้วแม่ไม่น่าเชื่อเลยนะ ในอดีตการมีพระราชาพระนามว่าโกสัมพิกะครองราชสมบัติอยู่ในกรุงโกสัมพีแคว้นวังสะในการนั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์มหาสารมีสมบัติ80โกฎในนิคมแห่งหนึ่งพราหมณ์กุมารได้มีสหายเพื่อนรักของเขาชื่อว่ามันทัพพยะต่อมาเมื่อมารดาบิดาถึงแ ก, ก่กรรมทั้งสองเห็นโทษในการมก็บริจาคมหาทานละกามเมื่อญาติมิตรบริวารชนร้องให้่ําครวรก็ออก บวชไปสร้างอาสมอยู่ในหิมมาวันตตประเทศบวชแล้วเลี้ยงชีวิตด้วยอาหารอันเป็นรากไม้และผลไม้ด้วยป่าแล่ก็ด้วยการเที่ยวขออาหารอยู่เกิน50ปีก็แสดงว่าอายุตอนนั้นเนี่ยท่านอายุไม่น่าจะต่ากว่า 7-80 ปีแล้วละ่ะทั้งสองไม่สามารถจะข่มการมาฉันทะได้แม้เพียงฌานก็ให้เกิดขึ้นไม่ได้ ดาบ ท, ทั้งสองก็เที่ยวจาริกไปยังชนบทเพื่อเสพอาหารมีรถเข็มรถเปรี้ยวไปจนถึงแคว้นกาสีณแคว้นกาสีนั้นในนิคมแห่งหนึ่งสหายเก่าของสงายเก่าที่เป็นเครือข่าของทีปายนะชื่อว่ามันทพยะอาศัยอยู่ทั้งสองคือฤๅษีเนี่ย ก, ก็เข้าไปหามันทัพยะนั้นมันทพยะนั้นเห็นดาบทัท้งสองก็มีก็ดีใจสร้างบนนาารรณาศาลาบำรุงด้วยปัจจัยสี ดาบทก็อยู่ณนะที่ตรงนั้นสามสี่ปีนะแต่ตรงนี้เขาบอกว่าด้วยใจดีไอ้ด้วยดีความดีใจเลื่อมสายแต่ไม่ได้ดีใจตลอดนะเดี๋ยวตอนหลังเขาจะมีบอกอีกตเตนะ็มไปด้วยไม้อะเสร็จแล้วก็อยู่ตรงนั้นสามสี่ปีก็ลามันทพยะเที่ยวจาริกไปอาศัยอยู่ในป่าที่เต็มไปด้วยไม้แต่งใกล้กรุงพาราณสีที่นั้นทีปายนะก็อยู่ตามความพอใจแล้วก็กลับไปหามนทพยะสหายของตน ในนิคมอีกส่วนมันทยับดาบทก็ยังอยู่ที่ป่าไม้แต่งใกล้กรุงพาราณสีต่อไปก็ยังอยู่ในป่าเจริญสมณะธรรมจนได้ฌานอยู่มาวันหนึ่งโจรคนหนึ่งทำโจรกรรมภายในเมืองลักทรัพย์หนีก็เลยถูกพวกเจ้าของเรือนเนี่ยและพวกมนุษย์ที่รักษานครติดตามออกไปทางท่อนา้ำเสร็จแลว้วก็รีบเข้าป่าช้าทิ้งห่อทรัพย์เอาไว้ที่ประตูบรรณศาลาของดาบทแลว้วก็หนีไป โจรเนี่ยมันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะไม่รู้เอาเงินเอาทองไปทิ้งไว้ตรงไหนก็ทิ้งไว้หน้ากุฏิฤศีพวกมนุษย์เห็นห่อทรัพย์ก็เลยคุกขามว่าเจ้าชะดินชั่วเจ้าชะดินคนชั่วร้ายทำโจรกรรมในเวลากลางคืนกลางวันก็เที่ยวโดยเพศของนักบวชก็เลยช่วยกันทูบตีดาบทนั้นเสร็จแล้วก็จับไปแสดงแกพระราชาพระราชาม่ได้ทรงสอบสวนมีพระบัญชาสั่งให้เสียบเหลา พวกมนุษย์ก็นำดาบอดไปยังป่าช้าเสียบด้วยเหลาไม้แต่เขียนเหลาก็ไม่เข้าไปในร่างกายของดาบอดแต่นั้นก็นำเหลาไม้เสดามาเหลาไม้เสดาก็ไม่เข้าอีกก็เลยไปเอาเหลาเหล็กมาเหลาเหล็กก็ไม่เข้าอีกอันะก็เสียบก้นดีๆนี่แหละไม่มีอะไรดาบอดนั้นก็คิดว่าเป็นกรรมกรรมของเรากระมังเนอที่จะต้องเรียกว่าถูกจับตอกก้นอยู่ประจำเนี่ยนะแต่ว่ามันตอกไม่ค่อยเข้าอ่ะ เอาเอาอะไรนะเอาไม้ตะเคียนก็ไม่เข้าไม้เดาก็ไม่เข้าเหล็กก็ไม่เข้าแต่กระถูกต่อก็ไม่ใช่ไม่เจ็บอ่ะนะมันก็เจ็บละ่ะมันกรรมเก่าอะไรของเราเนาะระลึกชาติระลึกชาติได้เห็นกรรมเก่าด้วยเหตุนั้นเรื่องมีอยู่ว่าในอัตภาพก่อนคือชาติที่แล้วเนี่ยเป็นลูกของนายช่างช่างไหนก็ช่างถากไม้ทั้งหลายเนี่ยนะก็ไปที่บิดาถากไม้เสร็จแล้วก็ไปจับแมลงวันตัวหนึ่งเอาเสี้ยนไม้ทองหลางเนี่เสียบดุดลา คล้ายสมัยนี้ก็เอามะแรงปอนะเด็ดถางหน่อยแล้วก็เอาไม้เสียบเสียบแล้วให้มันบินเป็นเฮลิคอปเตอร์เล่นนะนะคล้ายๆแบบนั้นนะแหละเพราเด็กสมัยนี้ก็เล่นไม่ใช่น้อยนะที่ทําลักษณะนี้นะอันนี้ก็เหมือนกันก็เอามะแรงวันตัวหนึ่งเอาเส้นที่เขาถากัถากถักเนี่ยมาเสียบกลนบาปของเขาได้ให้โอกาสณที่นั้นดาบทรู้ว่าตัวเองไม่อาจจะพ้นจากบาปนี้ไปได้ก็เลยกล่าวกับราชบุตรนั้นว่าหากพวกท่านประสงค์จะเสียบเราที่เหล้า พวกท่านจงนำเหลาไม้ทองหลางมาเถิดราชบุรุษก็ทําตามนั้นแล้วก็เสียบเหลาจัดอรกขาแล้วก็จากไปการนั้นกัญหะทีปายณะดาบทคิดว่าเราไม่ได้เห็นสหายมานานแลว้วก็เลยกลับไปหามันทัพพยะดาบทฟังเรื่องเรานั้นแล้วก็ไปยังที่นั้นยืนอยู่นะที่ข้างหนึ่งก็ถามว่าสหายท่านทําอะไรนะก็ไปถามเห็นเพื่อนถูกเสียบหลาอยู่ก็เลยถาม ดาบทก็บอกว่าเราไม่ได้ทําอะไรกันหาทีปายนาก็ถามต่อไปว่าท่านสามารถรักษาความปทัทธร้ายทางใจได้หรือไม่ได้อันนี้คือคือเขาถามว่าดํารงความเป็นสมณะมั่นคงขนาดไหนเขาถามเพราะว่าถ้าหากว่ามีผู้มาเบียดเบียนแล้วมีจิตคิดปทัทธร้ายความเป็นสมณะก็แทบจะไม่มีแล้วเนะนะีเพราะฉะนั้นก็ถามว่าท่านรักษาความปทัทธร้ายทางใจอยู่ได้หรือไม่ มัทพะระยาดาบทก็ตอบว่าเราไม่มีความประทุษร้ายทางใจต่อราชบุรุษและพระราชาที่จับเราแปลว่าเราไม่โกรธเลยไม่คิดเบียดเบียนไหมายถาว่าอาจจะอาจจะเจ็บแต่ก็ไม่ได้เคยคิดประทุษร้ายอีกฝ่ายหนึ่งเลยการหาทีปายนาดาบทก็กล่าวว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นร่มเงาของท่านผู้มีศีลเช่นท่านเป็นความสุขของเรานะดีเหลือกเกินเนี่ยกว่าจะได้ร่มเงาอันนี้ก็เลยนั่งพิงหลา่นั่นแหละที่เขาเสียบก้นไว้นั่นแหละ แล้วเอ่อถ้าเราว่าต้นต้นอะไรนะไม้ท้องหลังเนี่ยเป็นยังไงจริงๆเนี่ยไม้ไม้ตามวัดต่างๆนี่จะมีต้นแบบต้นไม้หลายหลสีอ่ะนะมีใบหลายๆสีนั่นแหละต้นทองหลางอ่ะนะต้นมันจะเป็นน้ำหนามนิดๆอ่เป็นน้ำหนามบ้างเกลี้ยงบ้างพวกบุรุษที่ดูแลก็กราบทูลเรื่องนั้นให้พระราชาทราบว่ามีฤาษีอีกคนหนึ่งเนี่ยไปนั่งพิงหลาวอยู่ตรงนั้นอ่ะนะพระราชาก็คิดว่าเราไม่ได้สอบสวนทํำลงไป ก็เลยรีบเสด็จไปทีนั้นก็ตรัสถามทีปายณะดาบทว่าเพราะเหตุไรพระคุณท่านจึงนั่งพิงเหล่าอยู่เล่าดาบทก็ตอบว่าอาตมาภาพนั่งคอยรักษาดาบทนี้มหาราชพระราชาก็ตรัสถามว่าพระคุณท่านทราบความที่ดาบทนี้ทาแล้วหรือไม่จึงได้ทำอย่างนี้ทีปายณะดาบทก็ทูลถึงกรรมที่ไม่บริสุทธิ์นะเล่าคือเขาถามทีปายณะดาบทเนี่ยก็ถามพระราชานะในชาดกบอกว่า พระองค์สอบสวนหรืออย่าง ท, ที่ได้ที่ได้รับสั่งอย่างนี้บอกว่ายัางอย่า ง, งั้นก็เลยสอนอ น, นทีปายนาดาบทก็สอนพระราชาว่าธรรมดาพระราชาควรเป็นผู้ใคร่ครวญเสียก่อนแล้วค่อยทำอ น, นค่อย ค, อยคอยตัดสินอะไรลงไปสักเรื่องหนึ่งเนี่ยเพราะสั่งไปเนี่ยคนอื่นเขาเดือดร้อนใคร่ครวนให้รอ บ, อบ่อกเครือหัดเกียดคร้านบริโภคก ร, รมไม่ดี ถ้ายังอยู่ครองเรือนมีครอบมีครัวมีลูกมีหลานเป็นต้นน่ยนะอยู่ด้วยความเกียดคร้านเนี่ยไม่ดีแน่บรนประชิตบวชเข้ามาแล้วไม่ปิดบาปทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นก็ไม่ดีนะสํารวมแปลว่าปิดบาปไม่ให้ไหลเข้ามาตามทวารต่างๆถ้าบรนประชิตไม่สํารวมไม่ดีพระราชาถ้าไม่ใคร่ครวญก่อนทมก็ไม่ดีบัณฑิตมักโกรธก็ไม่ดีนะถ้าฉลาดจริงก็ต้องไม่โกรธนะมันคนที่บัณฑิตผู้ที่ฉลาดถ้าโกรธแล้วไม่ดี ทำไมเพราะคนฉลาดนะถ้ากโกรธแล้วทุกอย่างมันเดือดร้อนหมดนะคนฉลาดโกรธนี่ไ ม, ม่เหมือนคนทั่ ว, วไปโกรธนะคนโง่โ ง, ง่โกรธไม่เท่าไรหรอกคนฉลาดโกรธนี่แหมมันวางแผนคิดทํำลายชนิดที่เรียกว่าคนอื่นคิดด้วยไม่ได้นะแล้วก็แสดงทําให้พระราชาฟังดังกล่าวไปพระราชาก็ทราบว่ามันทพยดาบทไม่ผิดก็รับสั่งให้นำเหล้าออกพวกราชบริษก็ดึงเหล้าแล้วก็ไม่ยอมออกอีก มันทัพพยาฤกษ์ก็บอกว่าข้าแต่มหาราชอาตมาภาพได้รับโทษเห็นปานี้ก็เพราะโทษของกรรมที่ทําเอาไว้ในชาติก่อนใครๆไม่อาจจะดึงหลาวออกจากร่างกายของอาตมาภาพได้หากพระองค์มีพระประสงค์จะให้ชีวิตแก่อาตมาภาพแสดงว่าเนื้อกับกับ ต, ต้นทองหลางนี่มันเป็นชิ้นเนือ้อเดียวกันไปเรียบร้อยแล้วนะไม่สามารถจะถอนออกได้เพราะฉะนั้น ทำไงถ้าจะให้ชีวิตจริงก็ขอรับสั่งให้ทำเหล่านี้เสมอกับผิวหนังแล้วเอาเลื่อยตัดเถิดเนี่ยนะขอให้มันปักอยู่นั่นแหละไม่ต้องเอาออกลอ็อกกันแต่ตั ด, ตดให้มันเดินได้หน่อยก็แล้วกันพระราชากรับสั่งให้ทําอย่างนั้นเหล่าก็อยู่ภายในนั่นเองก็ไม่ได้เกิดความเดือดร้อนอะไรในยะครั้งนั้นเนี่ยนะมันทัพยะดาบทนี้เอาเสี้ยนอย่างเล็กเสียบเข้าไปในผิวหนังของแมลงวัน เสี้ยนนั้นยังอยู่ในร่างกายของแมลงวันนั่นเองแมลงวันไม่ได้ตายด้วยเหตุนั้นแต่ตายด้วยสิ้นอายุของมันเพราะฉะนั้นมันถ้าพยะมานพจึงไม่ตายดาบดนี้ไม่ตายก็เพราะว่ากรรมนี้ไม่ครบองค์ทำปานาติบาตไม่ได้ตายเพราะฆ่าแมลงวันแมลงวันไม่ได้ตายเพราะฆ่าตายตามอายุขของมันพะนรือศรีก็ไม่ตายเพราะเสียบเหลาพระราชาไหวาดาบดแล้วก็ขอขอมา ทรงให้ดาบ ท, ทั้งสองอยู่ในพระราชอุทยานนั่นเองแล้วก็บำรุงตั้งแต่นั้นมาดาบทนั้นก็มีชื่อว่าอา น, นิมันทพยะอา น, นี้แปละว่าลิมนะอานีก็แปลว่าลิ่มนะนะเรียกะ ว, ะะนะว่ามันทพยะที่มีลิ่มอยู่ในตัวเหมือนนนะถูกตอกลิ่มมาไว้แล้วเหมือนนดาบทนั้นอาศัยพระราชาอยู่ณพระราชอุทยานนั่นเองส่วนทีปายณะดาบทชำระแผลของมันทพยามันทพยะดาบทจนหายดีแล้วก็ไปยังบรรณศาลา ที่มันทพยะผู้เป็นสหายของตนเมื่อครั้งเป็นครือขัดดังที่พระองค์ตรัสเล่าว่าสหายเพื่อนประพฤติพรหมจาร์ของเราชื่อว่ามันทพยะเป็นฤาษีมีอนุภาพมากประกอบด้วยบุรพกรรมถูกเสียบด้วยเหลาทั้งปวงนี่ขนาดทากับแมลงวันนี่ยังหนักขนาดนี้ถ้าทำกับสัตว์โตๆกว่าแมลงวันใหญ่ขึ้นมาเป็นกบเป็นเขียดเป็นปลาเป็น ไก่เป็นหมูตลอดจนถึงเป็นช้างเป็นวัวเป็นควายเป็นคนด้วยจะขนาดไหนน้อนี่นี่ขนาดขนาดไดนะขนาดแมลงวันตัวน้อ ย, อ ย, อยตัวกระจิตรเนี่ยนะเรั้นเวลาที่เวลากรรำให้ผลเราก็โทษซ้ายโทษขวาโทษหน้าโทษหล้างโทษคนนั้นโทษคนนี้แต่จริงๆอ่ะไม่เคยโทษถึงว่ากรรมเก่าที่เคยทํามาในอดีตเลยเนี่ยนะเันหมูสัตว์เนี่ยเวลาที่ได้รับความทุกข์เนี่ย อย่างในยุคนี้ประสบอุบัติเหตุแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่มันต่างอะไรจากกรรมที่เคยทำในอดีตบ้างนะถ้าระลึกได้เพียงแต่ว่าตัวเองเนี่ยแกล้งทําลืมเท่านั้นแหละแกล้งทําลืมนึกไม่ออกแล้วเลยโยนความผิดไปให้บุคคลอื่นเนี่ยนะในที่สุดก็ถูกเสียบหลา่าใช่ไหมนะี่ถ้าหากว่ายังอยู่ในวัตฏะอยู่นะั่นนะไม่รู้จะต้องไปรับอะไรอีกบ้างเราพยาบาลมันถพยาดาบทนั้นให้หายโรคแล้วก็ได้อําลามาสู่บรณารณศาลา อันเป็นอาสมของเราเองพวกพราหมณ์เห็นทีปายณะดาบทนั้นเข้าไปยังบรรณาสาลาก็บอกแก่สหายสหายมันทัพญาณนั้นได้ฟังแล้วก็ดีใจพร้อมด้วยบุตรภริยาถือเอาของหอมดอกไม้น้ําพึ่งเป็นต้นเป็นอันมากไปยังบรรณสาลาว่ายทีปายณะดาบทล้างเท้าให้อนะให้น้ําดื่มนั่งฟังเรื่องราวของอアニมันทัพยะดาบท ฤศนะีนี่ก็เล่าให้โยมฟังอ่ะนะเล่าให้อุปถาบฟังว่าเออเนี่ยฤศีคนนี้ไปถูกเสียบก้นมาอย่างนี้นะกรรมเก่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เล่าให้ฟังครั้งนั้นบุตรของมนทัพยพรามชื่อว่ายันญทัดกุมารก็เล่นลูกข่างอยู่ที่ท้ายที่จงกรมณนะที่นั้นงูเห่าก็อาศัยอยู่ในจอมปลวกแห่งหนึ่งลูกขางที่เด็กโยนไปที่พื้นดินก็ตกลงบนหัวงูเห่านะปล่องจอมปลวกเด็กไม่รู้จึงล้วงมือลงไปในปล่องงูโกรธ จึงกัดเข้าที่มือเด็กก็ล้มลงณนะที่นั้นด้วยกำลังพิษของงูมารดาบิดารู้ว่าเด็กถูกงูกัดจึงอุ้มเด็กเข้าไปให้นอนลงแทบเท้าของดาบทกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอพระคุณท่านได้โปรดใช้ยาหรือมนทําบุตรของกระผมให้หายโรคทีเถิดทีปายนาดาบทก็กล่าวว่าเราไม่รู้จักยาเราไม่ใช่หมอเราทายาไม่เป็นเราเป็นนักบวช มาดาบิดาก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นขอพระคุณท่านได้โปรดแผ่เมตตาในกุมาร น, นี้แล้วทําสัจจะกิริยาเถอดดาบดก็บอกดีแล้วก็ทําสัจจะกิริยาจึงวางมือไว้บนศีรษะของยัญยทัศน์ทําสัจจะกิริยาว่าพราหมณ์ผู้เป็นสหายของเราอันนี้นี่เล่า ท, ทวนถอยหลังนิดหนึ่งว่าพราหมณ์ผู้เป็นสหายของเราเราได้พาพรยาและ บ, บุตรต่างถือสักการะต้อนรับแขก รวมสามคนมาหาเราเรานั่งเจราจาปราศัยกับสหายและพริยาของเขาอยู่ในอาสมของตนเด็กโยนลูกคางเล่นอยู่ทํางูเห่าให้โกรธแล้วทีนั้นเด็กนั้นเอามือควานหาลูกคางไปตามปล่องจอมปลวกควานไปถูกหัวงูเห่าเข้าพอมือไปถูกหัวหัวของมันงูก็โกรธอาศัยกําลังพิษเครืองจนเหลือจะอดกลั้นได้ก็กัดเด็กในทันที พร้อมกับถูกงูกัดเด็กก็ล้มลงณที่พื้นดินด้วยกําลังพิษกล้าเหตุนั้นเราเป็นผู้ได้รับทุกข์หรือเรามีความรักจึงเป็นทุกข์เราก็ได้ปลอบมารดาบิดาของเด็กนั้นผู้มีทุกข์มีความเศร้าโศกให้สัางแล้วก็ได้ทำสัจกสจกิริยาสัจจกิริยาเขาว่าไงว่าเราต้องการบุญได้ประพฤติพรหมจรรย์มีจิตเลื่อมใสอยู่เจ็วันเท่านั้น ต่อแต่นั้นมาการประพฤติของเราไม่เลื่อมใส50ปีเศษเราไม่ปรารถนจาจะประพฤติเสียเลยด้วยความสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เด็กนี้เถิดพิษจงระงับยันยทะทักกุมารจงเป็นอยู่แม่คำํำอธิษฐานเนี่ยนะครับบวชอะไรทนบวชอยู่ได้ก็ยังเอามาตั้งสัจจะอธิษฐานได้เัมนันนะนะแสดงว่าความจริงนี้เป็นสิ่งที่เอามาตั้งสัจจะกันได้ขอให้มันสิ่งนั้นเป็นความสัจเป็นความจริงเถอดอาศัยความจริงก็ตั้งสัจจะกิริยาได้ นนะเมื่อพระโพธิสัตว์ทาสัจจกิริยาอย่างนี้พิษก็ตกจากสรีระของยันยทัดลงสู่แผ่นดินกุมารก็ลืมตาแลดูมารดาบิดาลุกขึ้นร้องว่าพ่อจา๋าแม่จา๋าดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพร้อมกับเมื่อเราทำสัจจกิริยาเด็กวันไว้ด้วยกำลังพิษไม่รู้สึกตัวได้ฟื้นกาย น, นะได้ฟื้นกายหายโรคลุกขึ้นแต่ว่าในชาดกเนี่ยนะในชาดกกล่าวเพิ่มเติมกว่านี้บ้างว่า สัจจกิริยาของชนทั้งสาพวกะนะันคือใครคือพระโพธิสัตว์ของบิดาและก็ของมารดามาดูคำสัจจกิริยาของบิดาของเขาว่าไงครั้งและบางครั้งเนี่ยนะเราเห็นแขกมาเรือนเราก็ไม่ยินดีจะให้ไม่ต้องการจะให้อาหารไม่ต้องการจะให้ที่พักบางครั้งนี่ก็เบื่อเต็มทีเหมือนกันนะคนมาหาบ่อยๆเข้ามันเบื่อใช่ไหมบางครั้งนะบางครั้งนี่ก็ไม่ยินดีเลยอันหนึ่ง สมณพราหมณ์ผู้เป็นพหูสูตรก็ไม่รู้ความที่เราไม่รักเราไม่ปรารถนาจะให้แต่ก็ยังให้นะเบื่อบางทีก็โอ้ยอะไรจะเรื่องมากขนาดนั้นนะนะเบื่อเหมือนกันว่างั้นะด้วยความสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เราพีดจงระงับขอยันทัตถกุมารจงอยู่เป็นอยู่เถิดเนี่ยนะแสดงว่าอะไรนะมีคนมาเยี่ยมมีแขกมาเยือนมีสมณพราหมณ์นักบวชเข้ามาหามาให้ให้ทำบุญถวายทานเป็นประจําหลายครั้งก็เบื่อเหมือนกันนะ แต่ก็ยังทาอยู่นะด้วยสัจจะวาจานี้ขอให้ลูกนี่จงมีชีวิตอยู่ต่อไปเสร็จแล้วก็คำของของพ่อนี่ไม่เท่าไรแต่คําของแม่นี่แหมฟังแล้วทาใจไม่ได้ก็่งั้นก็บอกว่า ค, คือภรรยาเนี่ยขอขอบอกขอร้องสามีนะว่าจะให้ทาสัจจะ ก, กิริยาไหมขอทำไหมอนุญาตไหมบอกที่รักเธอทำไปสิก็เลยบอกว่า ดูก่อนพ่อธัญทัศน์อสรพิษมีพิษร้ายออกจากปล่องได้เห็นเจ้าวันนี้ความพิเศษอะไรอะไรไม่มีแกเราหมายคาอว่าเราเนี่ยพอเห็นอสารพิษออกจากปล่องมากัดเจ้าเราไม่มีความรักในอสารพิษพ่อๆกับใครพอๆกับในบิดาของเจ้านั่นแหละคือว่าไม่รักอะไรอะไรนะไม่รักงูพ่อๆกับไม่รักพ่อของเจ้าว่างั้นไม่รักพ่อของเจ้าพอๆกับไม่รักงูว่างั้น ขอความสวัสดีจงมีแก่เจ้าพิจงรังรับยันยทั์กุมารจงเป็นอยู่เถิดอยู่ด้วยกันยังไงไม่รู้นะเกลียดเท่างูงั้นนะบอกด้วยคำสัตว์นี้ทั้งหมดก็เลยเขาบอกว่าความพิเศษอะไรอะไรไม่มีแก่เราเพราะเราไม่มีความรักในอสสรพิษและในบิดาของเจ้า อันเว้นจากความไม่เป็นที่รักนั้นวันนี้เราไม่เคยรู้จักความพิเศษอะไรอะไรเลยชีวิตนี้พิเศษมีอยู่สองเรื่องเนี้ยคือเรื่องว่าเห็นงูไม่รักเท่ากับไม่รักสามีนั่นแหละอันนี้พิเศษที่สุดขอด้วยคําสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีกับลูกเธ อ, เอนะเออในขนาดเรื่องนี้ยังได้ดีเลยนะพระโพธิสัตว์เมื่อเด็กหายจากโรคแล้วก็ให้บิดาของเด็กนั้นตั้งอยู่ในกรรมสกตาเชื่อกรรมและผลของกรรมว่า เชื่อว่าผู้ให้ทานควรให้ด้วยเชื่อกรรมและผลของกรรมะนะก็แนะนําเรื่องการทำบุญไปว่าการทําบุญการต้อนรับการเชื่อเชิญเนี่ยเป็นสิ่งที่มีผลสมณพราหมณ์ที่เข้าไปในบ้านเนี่ยมีผลยังไงถ้าเราลุกขึ้นต้อนรับกราบไหว้เชื่อเชิญเป็นต้นเนี่ยก็จะค่อยๆเล่าไปในที่สุดก็แนะนําสั่งสอนฝ่ายตัวเองก็สอนตัวเองเหมือนกันนะนะบันเทาความไม่ยินดีในเรียกว่าเมื่อก่อนก็ทนบวชอยู่ได้ตอนนี้ก็บวชทนและให้มีศรัทธาเห็นคุณของ การบวชการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยนะบรรเทาเห็นทุกข์เห็นโทษของอกุศลทั้งหลายปฏิบัติธรรมยังฌานอภิญญาสิ้นอายุก็เกิดในพรหมโลกมัทัพยะที่ที่อุ้มลูกไปไปเฝ้าฤาษีเนี่ยก็คือพระอ น, นุนภรยาของมัททพยะก็คือนางวิสาขานางวิสาขาลูกที่ถูกงูกัดก็คือพระราหุล อันนี้มันทพยะก็คือภาษาฤาบุตรนะคนภาษาฤาบุตรอดีตชาติเคยไปเสียบแมลงวันเอาไว้ก็เลยถูกเสียบก้นเหมือนกันส่วนกันหะทีพายานะก็คือพระโล ก, กนาตเนะี่ยนี้ก็ข้อความในสัจจะบารมีนะสัจจะบารมีที่ในกันหะทีพายานะจริยาที่11เนี่ยนะส่วนสัจจะกิริยาอื่นก็คงวันต่อไปนะด้วยสัจจะสัจจะที่พระพุทธเจ้าประพฤติตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ สัจจวาจาสัจจกิริยาทั้งหลายที่พระองค์ได้ประพฤติเป็นสิ่งที่ดีมีอยู่ในโลกนี้มีอยู่ในกัปนี้ด้วยสัจจวาจานี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านทุกคนอนุมโมทนาประสบความสุขความเจริญโดยทั่วกันวันนี้ใช้เวลาเพียงเท่านี้นะ